น, น้องขอโอกาสจาท่านประาจารพอ่อบุฒธรรมและท่านพระอาจารย์มหานิเรกวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพูดอะไรต่างๆถึงมันเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของเราน้องพ่อเองเป็นผู้มีแผนชีวิต มาตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ทำได้อย่างใจวางแผนไว้แบบมันเกิดขึ้นเองในชีวิตของเราเป็นเด็กบ้านนอกอยู่กับครอบครัวที่มีลูกมากเราอยากเรียนหนังสือเนี่ยมันอยากของมันเองเห็นเขาเป็นครูอยากเป็น ก็ได้เป็นครูมาเป็นสิทธวัดอยู่ถึงหกปีถ้าไม่มีวัดก็ไม่ได้เรียนหนังสือละบางทีก็อดบางทีก็กิกนธรรมดาสิทธวัดตอนเย็นไม่ได้มีข้าวแต่มันก็อ้วนอยู่อย่างนี้แหละไม่เคยผอมเพราะเป็นคนอ้วนเ <c oughs> ห็นไหมชีวิต จบม .6 จบแล้วจะไปไหนดีชีวิตก็มีอีกแหละเป็นบุญของเราครูใหญ่ก็บอกว่าเป็นครูไม่ต้องไปไหนแต่ให้เธอเป็นครูโอ้โหคำนี้ยังอยู่ในจิตในใจอยู่ตลอดเวลานี่ หัวใจของเราที่กำลังวุ่นวายจะไปที่ไหนดีจะกลับไปเลี้ยงควายหรือเปล่าหรือไปอย่างเดิมไหม mm hmm. หายหมดไปได้สำคมประสงค์เป็นครูเพราะมูลเหตุของการเป็นในครูที่ท่านให้เป็นครูนี่ก็เพราะเราทำดีเป็นจิตวัตที่ดีเรียนหนังสือเก่งด้วยท่องศัพท์ภาษาอังกฤษวันละสามตัวใส่ฟ้าบาท ไปคอยพระเราก็ได้เป็นครูสนองความจกตนาของท่านที่เราเป็นครูช่วยเราถึงยี่สิบปีอยู่ทุทธิประสตวิทย์อยู่ยี่สิบปีสอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นเจ้าเป็นนายเป็นนักเตอร์อย่างนี้ยี่สิบกว่าคนนะครับนี่แหละบารมีอันนี้แหละ ยิ่งทำให้หลวงปู่ไปอยู่ตรงไหนก็มีผู้มาทำอันนั้นทำอันนี้ทั้งวัดทั้งอะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างดิ่งไปพัฒนาวัดของลี่ก็เพราะบา ร, รมีที่เราได้ทำไว้นี่แหล ะ, ะและบา ร, รมีอันสำคัญที่สุดก็คือสอนให้เขามีธรรมะ ภายหลังที่เขากเกษียณราชการแล้วอันนั้นสอนให้เขามีตำแหน่งหน้าที่ทำงานราชการเขาก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตวันนี้ที่ยี่สิบนี้ก็มาคนหนึ่งเป็นเด็กนึ่งควายบันตตเนินนี่แหละเดี๋ยวนี้ได้เป็นในพันเอกพิเศษนะจะไปจอมพล นายพลอยู่วว้ๆนี่แหละแมเห็นไหมลูกจิตลูกหามันใหญ่ให้ดูแต่มันก็เจริญให้ดูแ้งที่เรายังไม่ตายอะได้เอาเงินมาถมทบสร้างซื้อที่ดินให้บ้านคองรีหนึ่งแสนสี่มืนบาทถือมาเฉยๆนี่แหละไม่ได้มีลูกน้องติดตามมาเลยโอ้ยนายพลอะไร ทำไมยังไม่มีลูกน้องเนี่ยก็บอกชวนใครเขาก็ไม่มาอันนี้ก็เป็นความเจริญของอลูกศิษย์ที่เราได้ปลูกป้อมกันมาก็เป็นที่ปลุมใจสำหรับความเป็นครูชีวิตของเราเนี่ย <c oughs> อาตมามีแผนงานไว้ตลอดเกษินราชการแล้วจะไปไหนถามตัวเองจะนั่งอยู่อย่างเขาหรือ หลับไม่ตื่นอย่างเขาหรือไม่เอาฉันเกิดมาจากวัดฉันต้องไปวัดมันว่าเพราะมันอย่างนี้เออดีในที่สุดเราก็สนใจพระองค์ไหนในขณะที่เราเป็นครูอยู่พุทธทาสก็ฟังขั้นอย่างดีเพราะทตนเอาสัจธรรมมาให้เรารู้เราเข้าใจก็ติดตามคำสอนของท่านอยู่เป็นประจำโพีิลักษ ท่านไปตั้งหน่วยชีวิตอันง่ายแล ะ, ะพอเพียงของท่านและก็มีธรรมะมีอะไรต่างๆก็อยากจะไปอยู่ด้วยโพธิลั์มองศึกษามาตอนเียรราชการท่านก็มาอยู่ที่เก่งคออุ้ยยิ่งง่ายเลยนะเนี่ยเราก็ไปดูนะดูไปดูเออจะจะเกษรแล้วจะมาที่นี่แหละนี่ตั้งใจไว้ จะมาบวชแต่ก็ยมาสอนนักเรียนเด็กๆที่เขามาฝากท่านด้วยแล้วมีความรู้ทั้งครูด้วยอพอดีท่านปราจารย์และขบุนธรรมไปเปิดการปฏิบัติธรรมที่บ้านตะเนินเพื่อนกันที่อยู่บ้านตะเนินส่งข่าวไปบอกว่าไอ้เกรคนไทยคนลรกก็เด็กไอ้เกร มึงมาปฏิบัติธรรมกับกูเปิดปฏิธรรมอะไรแบบเคลื่อนไหวแบบยกมือของหลวงพ่อเทียนอ้าวเราก็งุ่งงามอยู่บ้านหาเสื้อหาผ้าใส่อ้วนเหมือนแล่เลยท่ท้องก็ใหญ่อะไรก็ใหญ่นะ ก, กินแล้วก็นอนกเกียนราชการก็มาที่บานตะเนินนั่นแหละมาได้ชีวิตตรงนั้นแหะมาเห็น การเจริญสติยกมือหลวงพ่อกรมเป็นคนสอนนะแล้วก็บอกเออทางนี้ะฉันวางโพธิลักษณ์ฉันจะไปทางนี้และฉันก็จะบวชหลวงพ่อกรมก็ไปจับมือเท่านี่ต้องบวช ด, ด้วยนี่ครับผมจะบวชอยู่แล้วแต่ผมไม่บวชตายแน่ๆอตายไงกินแล้วก็ น, นอนเหมือนหมูถ้าเป็นหมูเข้าไปปาดคอแล้วนะ นี่ชีวิตชีวิตที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นชีวิตที่เร า, าทำถูกหรือไม่ถูกเป็นความคิดของเราในที่สุดกนะ็ออกจากบ้านนะมา <c oughs> ปฏิบัติธรรมด้วยความยากลำบากเหมือนญาติโยมที่ยากนี่แหละร่นะางกายก็อ้วนนะแล้วก็กินเก่งอีกด้วยนั่งตรงไหนก็ไม่ได้ นั่งพับเพียบก็ยากนั่งแคทมารก็ยากท้องมันเยอะท้องมันใหญ่ต้องพิงเสาหาเสาสลากใครอย่ามาชิงฉันฉันจะเสาสล า, ส า, าพิงแล้วเป็นยังไงหลับเลยปุ๋ยเลยน้ <c oughs> องสาวมามาด่าเฮ้ยกระลุงอะไรเฮ้ยาไปหมดแล้วเรานอนหลับปุ๋ยเลย เห็นไหมนี่มันนึกไม่นึกว่าจะมาได้อย่างนี้นั่นนี่ยไม่นึกจะมาได้อย่างนี้ชีวิตนะเนี่ยเราให้ฟังทุงกคนนะเพราะใจมันมั่นคงและเป็นแผนกลางของชีวิตของเราด้วยว่ากเกษียณราชะการแล้วเนี่ยจะไปไห น, นมีลูกจิตถามตอนที่เกษียณราชะการเขาไปกินเลี้ยงกันเขาก็มากันเยอะ พอ เ, เป็นลูกจิตเราลูกข่าวอาจารย์จ ะ, กะเกษียนเขาก็ถามอาจารย์แจกรเซียนแล้วอาจารย์จะไปไหนเราไม่ได้คิดเลยลุกขึ้นตอบลูกจิ์ว่าไปเตรียมตัวตายเขาก็เฮ่ก hey ันไปเตรียมตัวตายเนี่ยไอเตรียมตัวตายยังจะเตรียมแบบไหนเราก็ยังไม่รู้แตนะ่เราก็จะจันนีตัวนี้แหละที่เราคิดอยู่นี่แหละคือจะมาบวชนี่แหละมาเตรียมตัวตาย จุกติดเขาก็ไปทำนาผมครับผมมีนาอยู่อาจารย์จะทำไหมผมมีนาอยู่ใกล้ๆบ้านหนองขิมมีคนเสนอให้ไปทำงานเราก็บอกว่าจะไปเตรียมตัวตายเป็นชีวิตที่เราตั้งใจไว้โดยโดยที่ว่าได้ฟังเทศของพุทธทาสและอื่นๆที่เกี่ยวกับการปรับปรปุงชีวิตแล้วก็ มั่นใจแล้วก็มั่นใจในหลวงพ่อเทียนที่สอนวันนั้นเดินยนงขาแตะขาแตนเ น, นี่ยด้วยบุญบา ร, รมีอะไรก็ไม่รู้เจ็ดวันก็ปฏิบัติได้โดยตลอดง่วงๆหลับๆ น, นอนนอนไปอย่างนั้นแหละไม่รู้อะไรหรอกในที่สุดกลับไปถึงบ้านกลับไปถึงบ้านมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เนละมารู้ตอนหลังว่าเขาเดียวปิดติ ไปนั่งอยู่ฝั่งสะหลังบ้านยกมืออยู่มันยังมีเชื่ออยู่มันเกิดโอ้ยไม่รู้มันใจมันกว้างมันของมันเบามันสบายอิ่มไปทางไหนก็อิ่มเฮ้ยธรรมะเป็นอย่างนี้หรือธรรมะเป็นอย่างนี้หรืออุย้ยทำไมดีแท้ในที่สุดก็เลยไม่เข้าบ้านนอนอยู่ข้างนอกแล้วก็ไปบ้านหลวงพ่อจรั เจ็ดวันไปเจอหลวงพอ่อหลายองค์นะอาจารย์ท่านไม่ไปอลงพอ่อจำก็ไม่ไปอาจารย์วิมลไปเจออาจารย์วิมุลอ่จารย์กฤติฎี ด, ดีแล้วเราก็เข้าใจนะอีกเจ็ดวันไปหลวงพ่อไปทูลไปถึงหลวงพ่อไปทูลได้สามวันเดินแตกคาเตนเกิดอยากบวช <c oughs> เกิดอยากบวช ไปบอกท่านไปกราบท่านมาอะไรใจวนมาอย่างผมจะบวชครับลุงโอ้ยแค่ดีใจหลายแคดีใจหลายเปิดไฟขึ้นประกาศเลยกลัวเราจะกลับใจกลัวเราจะกลับใจเนี่ยให้เรามาเป็นเชิญเป็นเจ้าภาพพอเสร็จจากงานท่านก็อลุงปู่ก็เลย ขอโอกาสท่านเอา้เอาพ่อครับผมบวชแน่ๆผมไม่ไม่บิดเบีย้ยแลแต่ผมขอกลับบา้านสักสามวันจะไปไหนผมจะไปแบ่งที่ให้ลูกคนละล็อกละ็อลลอกแล้วผมก็จะกลับมาโดย ด, ด่วน เ, เทแล้วก็กลับบา้านกลับบ้านก็ถือโนดเข้าที่ดินไปบอกที่ดินว่า ทำด่วนๆหน่อยนะทำไวๆภายในสองวันเขาก็ร้องใส่อีกอาจารย์จะไปไห น, นลูกศิษย์เขาเป็นลูกศิษย์ก็เลยพูดกับเขาบว่บ่จะไปบวชจะไปบวชจะเล่งหลายจะไปบวชโอ้ยเดี๋ยวนี่บวชเขาทําอะไรได้หมดไหวแหละทีนี้ยแต่ก่อนทําไม่ได้ในที่สุดเราก็เลยได้ท่า น, นก็ไป ไปบวชเอาหลวงพ่อไปทูลเนี่ยท่านบวชให้บวชให้แล้วก็อยู่ที่วัด <c oughs> ับสายออนสามปีก็บีบุญบารมีมีคนเอาเงินมาให้นะสร้างทุติได้สามหลังนี่แล้วก็ปฏริบัติทำอย่างเข้มงวดแต่ปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็ดีดีแต่พอดีก็มีมาร นะเสียงรถปื๊ดเข้ามาลูกหลานเต็มรถเมีย ก, ก็มาหัวใจอยู่บนยอดยางตกวูบลงมาทุลิน <c oughs> โอ้ยเป็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่เขาเหมือนเดิมสองทีสามทีเนี่ยมันยากยากนะโยมนะลูกหลานเรามาเมีย ก, ก็มาแล้วพอดีเขาไปแล้วก็คิดถึงเขาอีละอยากจะไปให้เขานอนดินบ้า ค่อยเทาออกขอมเป็นสี่เด้นี่ยคอยเทาออกข้อและมีเข้าอยู่ด้วยมีเชือกอยู่ด้วยเปรียบเทียบเจ้าของเจ้าของเขามาหลอก ะ, ะลึงเขา่าข้อเมื่อในนอเนี่ยเสียก็มีเข้าก็มีนะจะลึงเขา่าข้อเมื่อใดในที่สุดปีที่สามตัดสินใจจะไปหาอาจารย์มหาดิเลรก ก็มีลูกศ oh, <This> ิษย e ์อาจารย์มหาได้เหลกหลายคนที่เคยอยู่โอ้ยยังเจ้านี่ไปวะได้หรอเป็นยังโอ้ยเป็นวัยด้วยวะเด่นดึงต่ลุกแต่ลุกเราไปเดี๋ยวเอาอย่างเง้ยผมชอบอาจารย์อย่างนั้นนะแต่จะไปแต่ไปอยู่ตรงนี้ผมศิษย์แน่แน่อศิษย์แน่แนผมบวชทุ่งจำมิตรผมบอกแล้วว่าแล้วผมนะเกมดุงเกมย่ามกับลุงเฉยสองคนสององค์ รู้ถ่าว่าท่านจะมาที่ป้าน้องพักหลอดก็เลยไปคอยท่านอยู่ที่นั้นบได้ไปตั้งแต่นั้นแหละปี40ปีใหม่พอดีไปถึงอ่าอ่าจังหวัดเพร่ะนะเพร่แสงเทียนอำเภอลองกวาง น, ะนี่ก็ได้เข้ามาตั้งแต่วันนั้นละนะตัวใด้ันกล็นก็พาไปปฏิบัติแถวและยอง นแถวระยองเออตอนนี้โยมนรุงมาอยู่กับกับผมตอนนรงุงนะก็เลยให้อยู่ด้วยลวงตาบุงตะเบียนเป็นชาววัดอยู่นั่นแหละเคยขับรถอาจารย์แล้วก็อยู่ด้วยกันมาก็เลยอุปธรรมไว้จุดที่วัดของรีอาญารยโดมที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะมันไม่ใช่ของง่ายๆนใจเขาง่ายๆนะ ใ, ในวิจิตรก็มาอยู่กับท่านพระอาจารย์ อาจารย์ท่านก็พาปฏิบัติและก็ไปทั่วทุกคนทุกแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวชนบุรีแถวจังหวัดตราดและเกาะช้างและไปภาคเหนือแต่มาก็ไม่เคยขาดนะไม่เคยขาดและในที่สุดก็มาอยู่ที่วัดน้องพระกรอดอาจารย์ท่านก็พาคณะมาที่น้องพระลอดและก็อยู่ด้วยกันพรรษาหนึ่งและก็พาอาจารย์ท่านก็พาสร้าง สล า, าใหญ่อยู่เท่าทุกวันนี้แหละนะท่านไปนอกกลับมาอาจารย์พงศ์ตรงนีนะ้มาอีกครั้งหนึ่แล้วก็พากันมาปฏิบัติอยู่ที่หนองบักหลอดแล้วก็มีโยมคนหนึ่งบอกว่าให้มาดูแถว <c oughs> นี่หละปู่คำวัวแดงนี่แหละท่านบอกว่ามีวัดล่างอยู่วัดหนึ่งอานะนะจารย์ท่าน ก็คงจะเข้าใจแมงชื่อแม่งวนนะแม่งวนวันนั้นอาจารย์ท่านก็พามาถึงนี่ถึงที่ตรงนี้มีสลาดน้อยๆ อ, อยู่นะด้านหลังอันนี้แหละจะ่าต่ อ, อมานะมีเม่ชีคนหนึ่งเม่ชีใจหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้ให้ยเขาเฝ้าแต่พ่อพมม า, อ, มมา <laughs> อยู่เนี่ยพอรู้ข่าว โอ้ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยท่านอยากหนีท่านอยากหนีมัชี้ใจอาจารย์ท่านมาคำคำไม่รู้ว่าท่านจะพาไปไหนมุนป่าไหมตา่างแคบแคบนะพอมาเห็นแล้วก็กลับกลับแล้ววันหลังท่านก็พามาอีกเนี่ยพามาอีกมาต่อมาถ้านกิดเลยว่าไปพวกเราไปอยู่ที่นั่นแหละชนะาวบ้านเขาก็ยินดีให้เราอยู่และก็มีอุปสรรคมากมาย ป่าไม้ไลค่คนหนึ่งหนีไปแล้วอีกคนหนึ่งมาอีกอีกพวกหนึ่งมาอีกอันนี้ก็เราหยอกๆแต่ว่าการสร้างอุปสรรคว่าอันนี้ไม่ใช่ของง่ายๆอุปสรรคทางป่าไม้อุปสรรคทางบ้านเดินทางเข้ามาก่็ถึงแปดกิโลโยมแปดกิโลแล้วก็มีทางแคบๆแล้วก็ติดไหล่ติดนาเขา เป็นหลุมเป็นบอ่อนะนะนะอาจารย์ท่านก็พาลูกศิษย์ลูกหาบุกเบิดนะเนี่ยจนเป็นทางที่ใช้ได้แล้วก็ไปบินตะบาดก็มีรถคันหนึ่งที่เป็นคู่บารมีของวัดทำแสงเทียนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็อยู่นะรถอีแดงนิสสันโยมขอนแก่นามาไม่เคยเสีย ไม่เท่าไหร่ต่ำตุงตําตอก็ตําไปนี่แดงไม่เคยเสียแต่หลวงพ่อขาหัก <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้ก็มันั่งอยู่นี้ทั้งพ่อหลวงพ่อใสทองไม่ใช่ขาหักหรอกหน้าแตกเพราะรถชนช น, นต่อปับ๊บหัวจะของไม่ชนไปหัอชมาเอาเอารถหัวแตก <laughs> นี่ประวัติของมัน <laughs> แล้วก็ยาทางก็ยากนี่แหละ บุกป่าผ่ามาเห็นหมทางที่เข้ามาเนี่ยเราะเราต้องใช้สำหรับบินทบาทรถอีดแดงนี่แหละวิ่งผ่านกอนอิดก่อนนินไปทะลุมาโดยตลอด ท, ทุกวันทุกวันต่อมาก็มีการพัฒนาอตอนที่อามาได้ไปเทนอาจารย์ชัยยายกกุฏิไว้หลังหนึ่งก็บอกจะตายอยู่ตรงนี้แหละเห็นแล้ว เห็นที่อยู่แล้วนะเห็นที่ตายแล้วจะไปหนีไปไหนอธิษฐานจิตเสร็จแล้วก็นะตั้งสร้างศาลาขึ้นตั้งกุฏิขึ้นที่ไปนอนอยู่นี่แหละนะเนะี่ยโยมก็มาจากบ้านของรีอาจารย์จียายให้ไปปีห้าห้าหนึ่งมาจากวัดทุกโตจากระยองมามาจำบรรษาจนปี ให้ไปเฝ้าวัดนะให้ไปฝวัดพรรษานี้แล้วท่านก็จะกลับไอ้เรากับจันจะยาก็เคยอยู่ด้วยกันมานะก็เป็นหลวงพ่อบอกง่ายก็เลยไปช่วยเหลือท่านท่านจะไปหาเงินมาสร้างสระเราก็ไปไปอยู่พรรษาหนึ่งแล้วก็กลับมาที่วัดเดิม น, ะนาช่วยจาย์พงษ์ ทรมนุ่ทนทรมนี้อาจารย์พง์ก็บอกหลวงปู่่ต้องมาซอยพผมหรอกผมจะทำเองหลวงปู่ไปพักพ้นไปปฏิบัติธรรมซะเราก็คอยไปนั่งห่างๆเขานั่งเฉยคอยดูเขาอะไรมันตกอะไรมันหายเวลาเขาหนีไปแล้วเราก็เก็บทำความสะอาดบริเวณที่เขาทำหลังไหนก็ติหลังไหนมีด ผ้าหน้าก็บอกคอนอะไรต่างๆแล้วก็เก็บน่ยเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมล่ะลุงปู่มาลุงปู่ก็ช่วยเหลือได้ตอนนี้แหละตอนเพิ่งตื่นหนีแล้วเหนือทําความสะอาดอะไรให้ก็เป็นที่ดีก็ตั้งใจว่าจะอยู่นี่แหละในที่สุดเขาก็เลยมุนไปวัดคลองรี่วัดคลองรี่นี้ก็เป็นวัดของชุมชนนะ ชุมชนนะแล้วเอาธรรมะเข้าไปกับชุมชนที่เมืองนะมันก็เป็นปัญหาอยู่มากมายนะแต่ด้วยความวิริยะสามารถของเราของปู่อยู่ผู้เป็นผู้นำอาจารย์เทยยและอัตมาก็สามารถ <c oughs> ดึงเอาญาติโยมที่มีความสนใจในการปฏิบัติ มาพัฒนาวัดคลองรีตั้งแต่ดันใจยยอยู่และอัตมามาอยู่ต่อกันจนถึงบัดนี้ก็อยากจะยัดโยมมีโอกาสให้แวะไปดูว่าวัดคลองรีนั้นไม่เหมือนเดิมแล้วนะเป็นวัดปฏิบัติครึ่งหนึ่งเป็นวัดทาบุญครึ่งหนึ่ง หลวงปู่ต้องมีตะุติไวเอ่อสลาใหญ่ไวสองหลังหลังหนึ่งอยู่ข้างหน้าอายัดโยมมาทำบุญอันนี้ห้ามเขาไม่ได้เราอยู่ได้เรามีเงินก่อสร้างอะไรได้ก็เพราะเขานี่แหละจะไม่ให้เขามาก็ไม่ได้แต่ฉันเข้าเวลาเดียวก็ไม่ได้หลวงปู่ฉันไม่ได้หรอกหนูตื่นสายจะมาตอนเพลเนี่ยตอนเพล น, นี่หลวงปู่ใหญ่ผมหนูทำบุญที่ไหน ส่วนมากมีแต่คนหนุ่มๆคนแก่ไม่เคยเห็ น, นคนแก่มีน้อยมีคนหนุ่มๆแ ล, แล้วนักปราชญพ่อแม่มาเนี่ยาทาทําให้อาวัดคองรี่จเจริญตรงนี้แหละตรงเจริญตรงคนหนุ่มคนสาวเข้ามาเพราะเขามีปัญหาและเราก็สามารถที่จะแนะนําในการแก้ปัญหาของเขาโดยการใช้หลักของสติควมรู้สึกตัวหลงพระเทียนนี่แหล ะ, ะโดยยืนหยัดไม่ ตัวนี้ให้เขาทำตัวนี้ในที่สุดเขาก็เห็นผลเห็นประโยชน์จากการแนะนำของเราและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงการทําบุญทําบุญการแห่การเห็นอะไรต่างๆการเจิมบ้านเจิมเรือนเติมรถเจิมอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะพูดให้เขาระลิกสิ่งเหล่านี้ให้มาเข้าใจอย่างเรา อย่างเป็นต้นว่ามาเจอมรถซื้อราคาล้านมา <c oughs> แล้วก็มีเพื่อนมาด้วยนี่เราก็มีวิธีพูดที่จะให้เขาเห็นความสำคัญอของปัญญาของเราที่มีเงินซื้อรถและทำไมมาต้องมาอาศัยเป้ราคาไม่กี่บาทมามาถูกรถของเรา <c oughs> และจบปริญญาโทนะอันนี้แหละก็ได้อธิบายกันไปในสุดเขาก็เข้าใจอย่างเราโอ้จริงจริงอย่างหลวงปู่พูดตติอยู่ที่ตัวเราเจิม่อเราต้องเจิมเองอยู่ที่พวงมาลัยอยู่ที่ตีนที่มือของเรานะไม่ใช่รถคันนี้เขาเจิมมาแล้วถ น, อนน้นทางเขาก็เจิมแล้วแล้วก็สี่แยกห้ายแยกเขาก็เจิมแล้วโอ้ยนะดูที่เราถ้าหลวงปู่ไปเจิมเจอมไม่ถูก เธอต้องเจอเองอยู่ที่ตัวของเธอเองที่มือที่ตีนที่ตาที่มองทางอ่าด้วนี้แหละสาคัญที่สุดเธอต้องเป็นผู้เจอเองเขาก็เข้าใจนะหลายอย่างหลายประการที่ทําให้รถนน้ำหมุก น, น้ำมนผูกมือถือแขนอุย้ยอะไรต่างๆเราเลยเป็นผู้ศักจิตเนะี่ยเป็นผู้ศักจิตก็เพื่อปัญหานี้ก็เลยพูดให้เขาเข้าใจได้เขาก็เลยหยุดกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องของการต่อสู้ที่วัดคลองรีมาทั้งธรรมะและทางการก่อสร้างก่อสร้างอะไรไม่ดีที่สุดเท่ากับทำรั้ววัดคลองรีได้สำเร็จทุกด้านเพราะอันตรายมากเดี๋ยวนี้ต้องปิดประตูสลาโจรขโมยมันไม่กลัวบาปกลัวบุญมันงัดเอาเงินไปหลายพันบาทนเนี่ยแล้วก็ตอง ปิดต้องงับกันนะเพราะเขาเข้ามาไม่รู้คนดีคนล้ายประตูต ว, วัดเราจะปิดก็ไม่ได้เพราะมีทางเดินผ่านเราต้องระมัดระวังทั้งข้างนอกข้างในนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะสำหรับการแต่งตั้งเป็นจา้าอาวาสรงปู่เมีอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีเขาก็เอาให้หลวงปู่เป็นจนได้รามันผิดระเบียบ ระเบียบเขาไม่ว่าถึงนั้นท่านก็ทาให้เราเป็นเจ้าวาดได้เพราะความดีของเราที่ท่านมาเห็นท่านมาดูท่านเห็นญาติเห็นโยมเห็นอาคารสถานที่ให้เราเป็นเจ้าวาดห้าปีต่อมาท่านก็ให้เป็นพระครูเราก็บอกว่าท่านให้คนอื่นเขาไปเถอะผมเฒ่าแก่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไระไรมันดีไปหมดแล้ว ในจุดตั้งก็ไปเอาพระครูมาให้พระครูก็ถูกใจเจ้าของหนูมงคนชัยธรรมอืมดีเว่ยนะเห็นคนอื่นๆเขาไม่ไม่เข้าท่าอย่างเราแลยมุงคนชัยธรรมปีหนะ้าเจ็ดปีหนะ้าเจ็ดอันนี้แหละก็ได้ตำแหน่งเป็นเทราเทระในเมืองก็ไม่ค่อยไปก็เขาหรอกไม่ค่อยไปไม่ชอบพิธีนั้นพิธีนี้อันนี้มนมาก็บอกว่าป่วยนะ เพรว่าไปอันซ้ำซ้ำซากะอยู่ที่วัดเราได้ประโยชน์มากกว่ามีญาติมีโยมมาปฏิบัติเม่อ <c oughs> จะไปถวจกันไปตรวดตรงนั้นตรงนี้ก็เลยหยุดกันท่าจะลูกน้องไป <c oughs> อันนี้ก็คือชีวิตของการบวชนะแตนั้นก็จะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติของญาติโยมก็ขอโนโมตนาสาธุที่ญาติโยมเนี่ยออกจากบ้านมาได้ ไม่ใช่ของง่ายๆไม่ใช่ของง่ายๆถ้าไม่มีความศรัทธาจริงใจลึกซึ้งออกจากบ้านไม่ได้หรอกไม่สามารถที่จะทิ้งบ้านทิ้งช่องลูกหลานที่มาจับมือจับตีนหรืออะไรต่างๆยุทธามรรดาศักด์เห่นี้ออกจากบ้านยากที่สุดพอมาถึงวัดแล้วก็ยากจะกลับบ่อย และเวลายกมือเดินจงกรมก็อยากจะให้มันถึงธรรมะไหวๆมันบ่เห็นหายน้องปูคือมาหาย <c oughs> ปูคือบาหายเนี่ยเห็นไหมที่เขาวุ่นวายมาหนาด ำ, คำเครียดมาเนี่ยมาเดินจงกรมมานั้ ง, งจังหวัดเวลาหนึ่งวันครึ่งวันเขาก็บอกว่ามันไม่หายทำยังไง เห็นมเขาต้องการเพราะสมัยนี้เป็นสมัยที่อะไรมันก็รวดเร็วหมดเราก็บอกว่าทำไปเถอะทาไปเถอะเดี๋ยวมันหายเองถ้าเธอไม่ทำไม่หายจะบอกว่ามันช้ามันเร็วไม่ได้ทำไปทำไปทำตามปูนบอกนี่แหละมันจะหายสักวันหนึ่งไม่พรุ่งนี้ก็มือลื่นมือมือลื่นก็ต่อต่อไปเป็นเดือนเป็นปีนู่นแหละในะะที่สุดเขาก็ไปทำนะตอนเย็นมาเป็นยังไงหนูบ้าหามแนครับ มะข่ายเนี่ยนั่นเห็นไหมมันถูกเลยนะนี่ยินญาถูกแล้วยินญาถูกแล้วเมงคลไข้กินญาถูกแล้วทําต่อไปเนี่ยโอ้หลายอย่างหลายประการที่เราจะใช้วิธีการที่จะเอาพวกที่มีปัญหาต่างๆแล้วจึงเขาวัดเนี่ยมาที่นี่เราให้เขาสงบสงบระงับได้เราต้องใช้ปัญญา่ของเราหลายอย่างหลายประการแล้วก็พาเขาทํา แล้วก็ในที่สุดเขาก็ได้รับผลจากการปฏิบัติของเราคือเจริญสติความรู้สึกตัวนี่แหละนะบอกให้เขาเห็นความสำคัญในที่สุดเขาก็ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติแล้วก็แต่ก่อนก็รับพักพระที่ <c oughs> บวชระยะสั้น <c oughs> ไปเห็นเขาอ่า บวชแล้วก็นั่งดูโทรทัศน์สูบบุหรี่คุยกันโอ้ยไปบ้านน้องปู่ไปบ้านน้องปู่ไปอะไรครับไปปฏิบัติธรรมบวชกี่วันบวชเจ็ดวันครับไปเอาเสือเอา <c oughs> บาดไปตามคนเอามาขึ้นรถนะวันนั้นแหละนุ่นแหลกเอามาสามองค์เห็นคนนั่งอยู่ที่บ้านตระเนินแล้วก็เลยมาหัดต่อจากนั้นไปก็มีคนเอาเยี่ยงอย่างะ บวัวชสัน้นๆก็มาที่วัดของรี่อัตมาเองก็บวชให้เขาแบบง่ายๆ่ายเอามาแบบจนคนเค้นอะไรก็ามาถึงเรื่องอัตตาบริขารอยู่ที่วัดเยอะเนี่ยเราก็บดชให้เขาได้แล้วก็ง่ายๆนี่แหละการปฏิบัตินดะัะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้อง มอกกายถวายชีวิตจริงจรงจริงจะเป็นไปได้และเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้ลุงปู่ได้ชีวิตใหม่บอกบอกตรงๆ อ, อย่างเงี้ยชีวิตใหม่ชีวิตที่อยู่ซื่อๆตรงๆไม่มีลูกมีหลานไม่มีอะไรปันญะแม้แต่การก่อสร้างเป็นจ่าวาดเป็นพระครูก็มีจะชื่อเฉยๆทาตามหน้าที่เฉยๆที่มีอยู่ นี่เป็นธรรมะเป็นผลที่เราได้จากการปฏิบัตินะและสุขภาพทางใจของเราก็อยู่กับสติความรู้สึกตัวเป็นปัจจุบันนธรรมปัจจุบันนธรรมแระโยมส่วนมากเราจะเป็นอดีตอวอดีตมาคิดมาปรุงมาแต่งปีแล้วปีเล่า ว, วันนี้วันนั่นอยู่ตลอดเวลาเอามาเป็นอารมณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ตัดออก อย่าไปห่วงไปใหญ่อนาคตยังไม่ถึงนี่พระเจ้าท่านก็สอนเอาไว้เราก็ต้องทําตามให้ได้เราอยู่ในปัจจุบันนั่งจนมันเคยชินจนมันเป็นเองเนี่ไม่มีอะไรมากมายเหมือนกับเราขับรถอดีตอนาคตรเราตัดออกเราอยู่แถวพวงมาลายัยตาเราก็มองที่ทางที่รถของเราก็ไปถึงไหนถึงกันเดินทางร้อยกิโลสองรอยกิโลก็สามารถเอารถไปถึงจุดหมายปลายทาง ทางมันจะยากเย็นขนาดไหนเลาะเหวเลาะเขาลงเขาลงมอรเราก็เอารถคันนี้ไปได้โดยความปลอดภัยชีวิตของเราก็เหมือนกับรถในการเดินทางนั่นแหละแต่ว่าอย่าลืมสติคนรู้สึกตัวอย่าขาดกันแล้วกันถือว่าเป็นธรรมะที่คู่กับชีวิตคู่กับชีวิตชีวิตของเราต้องมีคู่นะมือมันก็มีสองมือมือซ้ายมือขวา ธรรมชาติตาของเราก็มีสองตาเนี่ยคู่ของมันหูก็มีสองหูมันมีคู่มีคู่ขาก็มีสองขาดิ <c oughs> นี้ชีวิตของเราแหละมันต้องมีคู่สิเอาอะไรเป็นคู่ล่ะก็ธรรมะไม่ใช่คู่ผัวตัวเมียอันนั้นไม่แน่นอนไม่ใช่คู่ชีวิตแน่นอนนะบางทีก็ตีกันบางทีก็ด่ากันบางทีก็รักกัน อันนี้เป็นคู่ชีวิตของเราขาดจากเขาไม่ได้เขาเราก็ขาดจากไม่ได้เหมือนกันอยู่ด้วยกันนะคู่ชีวิตของเราก็คือที่เราทำอยู่นี้แหละสติควารู้สึกตัวนี่แหละโยมลองคิดดูนะถ้าสติขาดเมื่อไหร่ควารู้สึกตัวขาดเมื่อไหร่โยมก็ตกบันไดหรือทำอะไรแน่นอนในทางที่ไม่ถูกต้อง คู่ชีวิตของเราหนีไปหรือเขาหนีไปเลยเราก็ตายหรือมันไม่ตายก็เป็นคนไม่เป็นบ้าเป็นใบไปเห็นไหมท่านั้นที่คู่ชีวิตของเราก็คือตัวสติความรู้สึกตัวนี้แหละอยู่ที่ไหนที่ไหนอนตาตมาชอบอยู่ในป่าดิ้ที่เปลี่ยวเปลี่ยวชอบอยู่ตำลุมผีนาโพนี่อตาตมาไปบ่อย เพรมีผีประชาเยอะแล้วก็มีคนตายบ่อยๆแล้วก็ไปอยู่กับหลุมผีสติความรู้สึกตัวของเราเนี่ยเป็นเพื่อนได้อย่างดีถ้าตราบใดที่เขาอยู่เราจะอบอุ่นทุกอย่างเดินค่าเดินคื น, นไปไหนมาไหนเหมือนเดิมที่เหล่านั้นไม่มีปัญหาต่อเราถ้าเขาห น, นีไปเมื่อไหร่ขาดเมื่อไหร่ขาดสติเมื่อไหร่ ผีเหล่านั้นจะเข้ามาก็ผีความนึกคิดของตัวเองนี่แหละเนี่ยตัวนี้แหละขึ้นมาให้หลอกเราเราก็รู้แก้ไขทันทีเราได้ปัญญาแล้วโอ้เขาหนีจากเราไม่ได้ต่อไปนี้เราจะต้องจับตัวนี้ตลอดไป <c oughs> ในที่สุดทำไปทามาเราก็เลยกลายเป็นบุคคลที่มีสติไปไหนมาไหนมีอยู่กับสตินั่งอยู่วัดนั่งอยู่ ในบ้านหรือจะเดินไปไหนทำมความสะอาดอะไรเราก็มีไปกับสติก้าวขาออกไปมันก็มีความรู้สึกตัวนี่ติดของเราเป็นสมาธิในการทางานในการพูดกันในทุกอย่างนี่แล้วก็เรื่องความคิดทั้งหลายที่เป็นตัวทุก ข, ของญาติโยมที่เป็นโรคประสาทที่เป็นคนปวดหัวหรือมึนหัวหรือนอนไม่หลับไอเหล่านั้นเมื่อก่อนมันมี หลังไหลกันมาไหลกันมาเดี๋ยวนี่มันหายไปไหนมันหายไปไหนบอกเอาไปไหนเ ม, มื่อไหรทำไมไม่คิดละ่ะเคยพูดกับมันไม่รู้มันไปไหนเห็นไหมมันหายไปธรรมะธรรมะที่เราทำนี่แหละลูกหลานทั้งหลายทึ่เป็นลูกหลานทั้งหลายที่เป็นอุปสรร กลับมาจากเมืองเหนือที่ไปอยู่กับพันธุ์บาจัย์ตน่กลับมาจากเมืองเหนือไม่ติดต่อกันไม่ได้นะพอมาถึงบ้านไม่มีลูกหลานสักคนเดียวเมียก็ไม่มีคุยเขาเขาเป็นเหมือนเพื่นบ้านกลับมาวัดมาตีหน้าอกเจ้าของปึ๊กปึกพึ่งได้แล้วพึ่งได้แล้วเธอดีแล้วเธออย่าเสื่อม อืมฉันพึ่งได้แล้วเห็นไหมพึ่งจิตของเราได้แล้วตอนนี้เราก็อยู่แบบธรรมะคู่ชีวิตของเราสติคงรู้ตึกตัวใครจะมาเยี่ยมไม่มาเยี่ยมก็จะไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเนี่ยเขาจะมากเขามากับเรื่องของเขาไอเราจะไปเยี่ยมเขาเนี่เรื่องเป็นเรื่องยากเนี่ยเพราะมันมีปัญญาวางออกมีปัญญาวางปัญญาตัวนี้วางลูกวางหลานให้ไปตามชีวิตใครชีวิตมัน มันมีปัญญาปัญญาตัวนี้ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติให้เห็นความจริงเราไม่ควรจะเอาเขามายึดมาถือเป็นเป็นตัวของเราหรือเป็นทุระของเราโอ้มันเห็นแล้วมันก็วางวางวางเนี่ยกลับมาจากมืองเหนือหายไปหมดเลยตั้งแต่วันนั้นมาน้งปู่ก็เลยไม่มีลูกมีหลานไม่มีทรัพสมบัติอะไรทั้งสิน้นจะผ่านไปจะผ่านมาอยู่นี่แหละนะจนทาให้ความ สบายของเราเกิดขึ้นอย่างที่เรียกว่าไม่มีธุระอะไรแต่ก็สามารถทำหน้าที่ได้คน้คนจากนี้แหละก็เรื่อกว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรม ะ, ะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายได้มาแล้วขอนนโมทนาอย่างยิ่งกับญาติโยมที่มาได้ไม่ใช่มาง่ายๆมาที่มาได้ อเนี่ยบวชได้เนี่ยอย่างบวชเนี่ยตมาบวชง่ายพอ่อตมาเตรมตัวมานา น, นลูกเมียเขาก็ดีเขาดูแลแต่พ่อจะไปเนี่ยเพราะอะไรทุกอย่างเราไม่ได้เอามาเรามาแต่ตัวจับเงินในเขาดูฉันเอาไปพันบาทติดพับติดกระเป๋าไปเวลาค่ารถค่าเรือเท่านั้นนหะนะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำได้ในชีวิตซึงคนอื่นเขาทาอ่า ไม่ได้อย่างเราและเขาก็มาต่อแยอเราอยู่ตลอดเวลาเยอะเย้เยเมื่อไลจะศึกมเมื่อไลจะศึกหาลูกหาหลานแต่ไมไปคนเดียวทิ้งเอาแต่ตัวคนเดียวลูดทิ้งลู ก, ท, ลกทิ้งหลานโอ้ว่าไปทั่วไปสังคมจนเราไม่อยากไปเยี่ยมบ้านไม่อยากไปขาวหัวมรดกมัน เห็นไหมว่าเราไปสารพัดสารปิดเพราะมันมีตัวอย่างอยู่คนคนแก่คนเท่าบวชแล้วก็สึกบวชแล้วก็สึกไอเราบวชแล้วไม่สึกก็ได้เราว่าอย่างนี้แล้วเราก็เลยหนีไปกลัวว่าอคาอันนี้จะหมดไปพอเห็นเราไปตอนหลังมานตัวนี้หายหมดเปลี่ยนคําพูดใหม่โอ้ยหลวงพ่อพนมีบุญน่ะ เออพนออกจากบ้านจากเรื่อนจากลูกหลานได้พ้นมีบุญนี่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่อันนี้ตมาถือมาโดยตลอดเนี่ยญาติโยมเอาไปใช้ก็ได้นะเขาดูถูกเนี่ยเขาดูถูกเนี่ยอย่าไปโกรธเขานะดีที่สุดออืเห็นไหมเดินมาโรงเรียนนี่อลูกคนจนลูกชาวนามพิ่งจะไปเรียนในอัง เ, งเลงควอยเลงว่าพอดีกว่าหรือเขาให ปีละสองตัวสามตัวพู้น่ะเศ้าซะเศร้าซะไม่ต้องไปเรียนเรียวเลนปจบพอแม่มึงไม่มีเงินเลือกเจ้ากี่เจ้าการอะไรเขามาบอกเราบอกผมไม่เรียนผมจะไปเรียนหนังสือผมไปอยู่วัด น, นี่เขาก็ว่าเราเราก็เอาตัวนี้แหละเอาตัวเขาดูถูกเราเนี่แหล ะ, ะไปเป็นกําลังใจไปเป็นกําลังใจในการเรียนหนังสือเนี่ยในที่สุดเราก็ได้สำเร็จ เป็นคููป่าเดินเข้าไปในบ้านมีนาฬิกาเข็นข้อมือด้วยนี่ลูกคนจนมาแล้ว <c oughs> เขาก็ว่าโอ้ยมีวัสนาอีกละทิน <c oughs> เป็นคนมีวัสนาเนี่ยเห็นไหยเด็นคนนี้วเท่าทุกวันนี่แหละเราก็ทำอะไรต่ออะไรนยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละที่เขาดูถูกดูแคลนเราเนี่ยนะอย่าไปเอาอยา อย่าไปโขดให้เขามีหลานคนหนึ่งได้อัตมาปับ๊บยอดนิดเล้เขาได้ปริญญาโทเป็นผู้หญิงแม่เขาทอดขนมมีคนเศรษฐีโคราชมาดูว่าจะเลี้ยงลูกไม่ใหญ่โอ้ยแม่มึงจะเลี้ยงลูกไนบะน้อยอีนา่อเนี่ยเนี่ยข้าวนมขายพ่อเขาทําอมรถอยู่ในใต้ฟ้ากลับมาถึงบ้านมันมาถามแม่มันแม่แม่แม ยายคนนั้นพูดดูถูกแม่นะว่าจะเลี้ยงลูกไม่ใหญ่แทงกระเทยแทงกระเทยลูกจากเขาแม่เขาว่างี้มันก็เอาคํานั้นแหละมาเล่าให้หลวงปู่ฟังหลวงปู่ก็บอกหลานอย่าทิ้งนะตัวนี้ยเนี่ยได้ของดีแล้วลูกในที่สุดเดี๋ยวนี้เขาจบปริญญาโทเห็นไหมจบปริญญาโทแม่ตายไปแล้วแต่งงานเองทําอะไรเองมดุดเป็นหลานที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในเรื่องการต่อสู้ชีวิต อันนี้ก็เล่าให้ญาติโยมฟังว่าเขาดูถูกก็ดีเขาชมก็ดีเขาชมเนี่ยยังไม่มีค่าเท่ า, า, าเขาดูถูกนะสำหรับการปฏิบัติธรรมก็ดีการตั้งเนื้อตั้งตัวก็ดีเขาชมเนี่ยมันไม่คดีเท่าไหร่แล้วมันทำให้เร า, เราสลาใจแล้วก็คิดผิดนี่ยทเขาดูถูกเราไม่ได้ก็สิ่งที่เราทำไปทั้งหมดนี้ก็เพราะธรรมะของเราเนั่นแหละ เป็นตัวนำไปคือสติความรู้สึกตัวเราที่เรามีอยู่นี่แหละทำให้เราคิดถูกทำอะไรถูกแล้วก็มองไปในถูกตามที่มันมันเป็นจริงอย่างนั้นไม่ควรจะไปเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นอุปสรรคนะดังนั้นญาติโยมที่ามาแล้วนะชนะแล้วให้ชนะต่อไปทางเส้นนี้แหละที่เราจะต้องทำ ในเกิดมาการเกิดมาเป็นมนุษย์ เ, เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนอย่างที่อา จ, จารย์ท่นทานเทศเมื่อวานนี่เอาหลายสิ่งหลายอย่างมาปนกันคนในเข้ากันเห็นไหมเราจับตัวนี้ขึ้นมาตัวหนึ่งมาจากคนนั่นแหละะเราจับสติความรู้ตัวเนี่ยมาจากคนนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านกน็จับเอาสติความรู้ตัวนั่นแหะมาจากคนนั่นแหละเอามาปรับปรุงมาเป็นมนุษย์ที่นี่ มาเป็นมนุษย์ผู้จิตใจสูงนะผู้จิตใจสูงมีศีลมีธรรมมีความรู้และมีอะไรหลายอย่างไม่ใช่คนและอนะท่าะนั้นเขาจึงมีคำพูดว่ามนุษย์คือผู้จิตใจสูงให้เราเข้าใจชีวิตของเราให้ใจธรรมะที่เราจะพึ่งนะคือตัวนี้แหละเป็น ท, ทุติเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมอุปปากละเนี่ย อุปการะพระพุทธเจ้าองค์ไหนเกิดมาก็เอาทาสองตัวนี้มามาสอนมาสอนพุทธศาสนิกะชนหรือพุทธบริษัทของท่านทำไมเอาสองตัวนี้มาก็เพราะว่าประชาชนเนี่เป็นโรคอันเดียวกันยาอื่นรักษาไม่หายยิโรคอะไรโรคกิเลส โลภิเลตตัวโลกตัวโกรตัวลงนี่แหละอย่างที่เราเป็นกันอยู่นี้นี่แหละโลกอันนี้รักสามอันอื่นไม่หายนอกจากสติคงรู้สึกตัวเท่านั้นที่จะหายที่พรุทธเจ้าท่านเอามาด้วยและท่านก็บอกว่าเป็นธรรมอุปการะเนี่ยพวกเราไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ถูกอตัวนี้มันทอดทิ้งไปก็เพราะอะไรน้ําที่เราดื่มนี้ มันไม่มีรสมีชาติแต่มันมีความจำเป็นต่อชีวิตราคามันก็ดีเห็นไหมถ้าใส่ขวดไว้แล้วสะอาดสะอ้านไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่มีความจำเป็นต่อชีวิตไม่มีรสมีชาติที่จะเราทำให้สนุกเพลิดเพลินในการดื่มการกินแต่มันมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราคือส่วนประกอบของชีวิตน้ำลายเราเนี่ยเหมือนกันไม่มีรสมีชาติ เราก็นึกว่ามันไม่สาคัญแต่กิเลสมันมีรสมีชาติสนุกสนานเพลิดเพลินอูอ้ยอนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีนี่เห็นไหมเราก็เลยไปติดไปนู้นไปทางด้านนูนทางสนุกสนานเพลิดเพลินเราก็เลยเข้าใจว่าสิ่งนั้นแหละคือความจุของการเกิดเป็นมนุษย์ น, นี่เราก็เลยไปถูกกิเลสหลอกนี่เข้าใจผิดต่อไปนี้เราต้องเข้าใจใหม่โอ้อะไรเป็นอย่างไร แยกออกแยกให้ออ ก, กว่าธรรมะเป็นอย่างไรกิเลสเป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างไรเราสามารถแยกแยะออกได้ท่านฉะนั้นดาดเดิมทั้งหลายใครมาอยู่ก่อนแล้วได้อารมณ์แล้วเรียกว่าเป็นผู้เก่าทําต่อไปให้มันเป็นเกิ่งเป็นก้านเป็นหนวยเป็นอะไรให้กินได้เหมือนเราปลูกต้นไม้อย่าทิ้งคนที่ยังก่อเพาะเมล็ดอย่างที่มาใหม่ปลกที่มาใหม่ยังมาเพาะเมล็ด สติความรู้ตัวให้มันใหญ่ขึ้นนะมันลดน้ำพ้นดินด้วยความจริงใจได้วความศรัทธาเอาชีวิตเขาแหลกเอาชีวิตเขาแหลกนะนี่อย่างนี้มันจริงจะได้จิตใจที่มีธรรมะแล้วพึ่งได้นะอ้าก่อนจะจบก็จะพูดถึงเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่งว่าทําไมหลวงปู่จึงสุขภาพดีมาโดยตลอด อาจารย์ท่านถามหลวงปู่ตอนที่ไปอยู่ป่าอยู่อะไรต่างๆหลวงพ่อเป็นยังไงหลวงปู่ก็ตอบท่านว่าสบายดีครับสบายดีครับทํำยังไงทํายังไงท่านก็ถามเฉยๆท่านก็ไม่คเคยทําเพราะท่านแข็งแรงอยู่แต่หลวงปู่นั้นแอบทําแอบทํากายบําบัดโดยคิดเอาทําไมที่เป็นครูเคยสอนนักเรียนเรื่องกายบริหาร แต่ว่าเรามาเป็นเฉพาะตัวนี่มันปวดขาปวดแข้งมันปวดเอวมันหัวมันมึนมันชาจะทำยังไงดีเราก็ไปกลางกดในที่ไกลๆเพื่อนอยู่ในที่ไกลๆ <c oughs> ทำตั้งแต่ดึกๆนุ่นละตีสามตีสี่นุ่นละนะจนถึงมาสวดมนต์หัดวิธีทามันเจ็บตรงไหนทาอย่างไรในที่สุดก็ได้วิชาความรู้เหล่านี้มาแนะนำญาติโยมที่ มีอาการปวดเอวปวดขาหรืออะไรต่างๆนานาก็เขาทำตามที่เราบอกเขาก็หายไอเราทำเราก็หายในสุดเลยกลายเป็นหลวงพ่อที่มีวิชากายบำบัดพอดีได้ไปอาจารย์พาไปพบกับหมอเขียวหมอเขียวก็แนะนำเอาตัวนี้แหละนะก็เลยมีความรู้ด้านนี้ เอาตัวรอดมาได้ด้วยกายบำบัดนะตลอดมาคิดได้ว่าตัวที่นั่งทำเนี่ยมีอยู่สิบกว่าท่านอนทำสิบกว่าท่าและยืนนํำอีกสิบกว่าท่าออกเป็นหนังสืออยู่ที่มหาสารคามนะตอนไปสอนครูที่มหาสารคามก็ได้ผลดีมาโดยตลอดแลวก็ตัวเจ้าของเองก็ได้ฟื้นฟู สุขภาพจากคนอ้วนมาเป็นคนแข็งแรงมาตัวลำดับจนไม่เจ็บใครได้ป่วยมาดีมาโดยตลอดก็เพราะตัวนี้มาถึงตอนแก่ก็มีอาการเกิดขึ้นเจ็บเอวทำยังไงก็ไม่หายหมดหมดปัญญาในที่สุดมานอนนอนตะแคงขวาเอาตีนซ้ายไว้ข้างบน อเมื่อขวไปเป็นหมอนที่เตรียมพอเอาตีนซ้ายมาข้างหน้าลงมาเสียงดังกุกกกอยู่ข้างหลังที่เอวที่มันเจ็บกุ๊กกะอึใช่แล้วใช่แล้วในที่สุดทําไปทํามาหายเจ็บเอวและก็หายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราก็เลยรู้อ่าวิธีนี้คนพบโดยบังเอิญแล้วก็ออกมาบอกญาติโยมที่ เก็บเอวนะง่ง่ายนิดเดียวง่ายง่ายนิดเดียวยยแล้วต่อมาก็เลยทําเพิ่ม <c oughs> เอามื อ, อขวาดเอามือขวาที่อยู่เปล่าๆเนี่ยไปใส่ที่ต้นขาผลักช่วยเขา <c oughs> พอมือผลักปั๊บหน้ามันก็เลยไปทางนู่นตรงข้าม ก, กันกับมือก็เลยได้สองทาง <c oughs> <c oughs> ได้ <c oughs> ได้ตีนด้วย <c oughs> ได้ได้หน้าอกด้วย อืมปัญหาหายไปนะไปทำเอาต่อมาอีกนะเมื่อปีนี้แหละนะหนักดุดหนักก้นขาไม่มีแรงเนี่ยคนแก่ลุกขึ้นก็ยากขึ้นเดิหัวขาไม่ขึ้นขาขึ้นหัวไม่ขึ้นอ้าวนี่ยคนแก่จะดูตัวเองมาขึ้นสลาก็ต้องเหนี่ยวขึ้นขึ้นโบสถ์อาจารย์หลงศิลขึ้นตกขึ้นตกเนีน มองเห็นเฮ้ยมาซอยหลวงปู่นี่มันอยู่หลวงปู่ขึ้นโบสถ์นี่พอมาผ่านพ้นมาเราคิดหาวิธีทำวันหนึ่งก็มานั่งอยู่ที่หน้าสาะนั่งกุฏิเจ้าของ <c oughs> มีหมาตัวหนึ่งมันวิ่งออกมาจากในป่าคงจะนอนอยูน่น่หละมากำมังหงายท้องปั๊บต่อหน้าเลย แล้วก็ตีนหลังของมันยันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊ บ, บเมืนคนมันเดินขาหน้ามันก็โวยไปโวยมาปิ้นไปทางนู้นปิ้นไปทางนี้ปุ่นไปนูน้นปิ้นไปทางนี้แล้วก็มองดูมันอยู่แล้วก็ลุกขึ้นมาสลัดตัวรุดไปลิบโอ้ไอปุ๋ยไอปุ๋ยนี่กายบำบัดของเธอนะเนี่ยเธอมาทํากายบำบัดให้ปู่ดูนะเนี่ยนึกได้ทีหลัง มันแมันถูกต้องพอยหมดเลยเพราะมัน <c oughs> <c oughs> บริหารด้านหลังฉันจะไปทำดูเสร็จแล้วตอนเช้าก็ทำดูอย่างมันที่แรกเหนื่อยทำไปทำมาไอ้ขาที่เรียกว่าหายมุดเท่าทุกวันนี้โยมไปทำดูนะ <c oughs> ง่ายๆนิดเดียวแบบหมาอัตามาเลยชื่อว่าด็อกโพลิซ <c oughs> ีให้มันให้มันโกโก้ทั้งหน่อย นอนหงายขึ้นแล้วก็ยันขาแล้วก็ไอมือเของเราเนี่กลวยไปกวยมา <c oughs> เนี่ยมันออกกําลังออกบริหารกระดูกสันหลังกล้ามเนื้อและเส้นประสาททั้งหลายด้านหลังได้หมดเลย <c oughs> แล้วก็ทําให้เราเดินได้อคล่องแคล่วว่องไวอย่างทุกวันนี่แหละทําได้ไหมอันนี้ทําได้ทําได้ทําได้แต่เอาลูกอหลานหนีซะก่อนอย่าไปยันเขาล่นะ <c oughs> แล้วก็บอกลูกบอกมิบอกคนด้วยตอนเช้ากูที่ทํากายบําบัดเนอะตึงตึงตังตั้งเมันกูสักเน <laughs> อเพราะมีคนหนึ่งผัวทํากายบําบัดอ่าเด็กก็เถียงตึงตึงดังตั้ ง, ง, ง, งก็ไม่ไปหาผัวไปบอกลูกอี น, าน้า ล, ล, <laughs> ลูกขึ้นลูกถึงพอมึงซักเนอะพูดละลูกก็วิ่งมามา apa, พอจะไปหยั่งจะเปหยั่งพอเจะไปหยัง กูเพิ่งเป็นอย่างนะ้าเจ้าอย่างตึงๆตังๆกูทำกายบาบัดคือหลวงพอบอกกู <c oughs> นี่เห็นวาที่หลังต้องบอกลูกบอกหลานหลอนเพราะมันนอนคนละที่นึกว่าชักนี่ทำตัวนี้อ้าวตัวนี้สามารถทำได้กายบาบัดของอหมาของเราทำทุกวันทุกวันเดียวมันก็ หายไปเองนขาก็จะเดินได้คล่องคราวนี้เราไปขึ้นบันไดขึ้นบวดที่ไหนปิ้วไปเลยปิ้วไปเลยแด็เอวก็แก้ไขได้ทีนี้มาดูท่อนขามันหนักคนทั้งหลายปวดเขา่าคนทั้งหลายปวดเขา่าหลวงพ่อปวดเข่ามีบ่ปวดเขา่เขาเห็นยังไงล่ะฮอวันหนึ่งมาเกิดแป๊บขึ้นมาที่สมองเอาเก้าอี้มาวางบนเตียงเจ้าของเอาขาสงขาไปวาง ไว้บนเตียงแล้วก็โยกเข่าขึ้นลงขึ้นลงอ้อนี่เป็นวิธีนวดเข่าได้สบายเลยทั้งสองขาเนีเขาก็เอาอีกวางไว้ขาพยกขึ้นมาวางบนบนเก้าอี้เนี่ยอุ้ยมีแรงอุ้ยมีแหง้งดิ <c oughs> ไอหลานชายอุ้ยมีแหง้งปูเพื่อนมันมันเป็นก่อตาขางมาวางปับ๊บ แล้วมก็โยกเข่าขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเสร็จแล้วเพื่อให้แน่นหนามันก็เราก็เอาขานี่ไปทับขานี้ตรงข้อเขา่าแล้วก็โยก ข, ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงการนวดเข่าของเราและเส้นเอ็นทั้งหลายที่อยู่ด้านหลังจะออกกําลังได้หมดเด้อผัดกันทำํำนะแล้วก็แช่อยู่อย่างนั้นนอาไว้นะและตีนของเราจะเบาสบายแล้วก็รู้สึกนอนสบาย อย่าดูดานเดี๋ยวมันจะเมื่อยอยู่หรอเอาลงมาซะอย่างนี้แต่ทาให้ผู้ปวดเขา่าปวดน้องปวดไหล่ต่างๆหายแล้วก็ตีนจะเบาทําไมหลวงปู่เดินคล่องเดินแข็วแท้เพราะหลวงปู่ทําตัวนี้ตัวนี้ได้ประโยชน์สุดท้ายเลยเนี่ยสุดท้ายที่สุดโดยที่ว่าเอาคิดออกเอาป้เาเอาขื่นโมไปบนเก้าอี้ทาตัวนี้มึงก็น่าอา้าวในที่สุดเลยเป็นวิธีการของการ ปฏิบัติกายบําบัดเนียอันนี้แหละก็เล่าให้ญาติโยมฟังว่าแก้ไขอย่างไรเล่าเราไม่ไปหาหมอยาไม่กินยาไม่กินนะทุกทิ่งทุกอย่างไม่ไปหาหมอยาก็ไม่กินหมอให้ยามาก็ไม่กินข่มดงค่มดันถอนปุงถอนฟันเอามาทุกๆุกไว้หลวงปู่กิกนยาบ่ล่ะเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้อีกเออเอามาเอามาก็มาซุกไว้ เห็นไหมไม่ไม่มันไม่ค่อยจู้จี้เป็นคนไม่ค่อยจู้จี้กับการกินยาหลังอาหารจับอันนี้ขึ้นมาหลังอาหารจับอันนี้ขึ้นมาหลังอาหารเฮ้ยเอาไหนวิโยนทิ้งเลยเพราะมันหลังอาหารหมดทั้งสามกระารเนี่ยกินไปแล้วยิ่งไปตีกันอยู่ในกระเพาะเราอีกเอ๊ะกูมาก่อนมึงมาหลังอีกเห็นไหมยาสามหลังเลยไม่กินโยนทิ้งไปเลย ตายเป็นตายเนี่ยเราจะต้องรักษาสุขภาพของเราร่างกายนี่เป็นอันดับหนึ่งเพราะเราจะต้องมีการเดินมีการเคลื่อนไหวและสามารถบริหารได้โดยง่ายๆไม่ต้องกินยาไม่ต้องหาหมอทำได้เองทุกวันสำหรับบริหารใจมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราตัวนี้ต้องเข้มแข็งเพราะมันเป็นหัวหน้า เราอยู่ในอำนาจของจิตจิตของเราอ่อนแอจิตของเราเป็นกิเลสมันก็จะลากเราไปหาความทุกข์ความยากจะนอนก็ไม่ได้นอนจะกินก็ไม่ได้กินแล้วมันยังไปลบกวนระบบของร่างกายที่มันอ่อนแอหรือมันเกี่ยวข้องกันให้ชุดโจมให้เสื่อมคุณภาพไปด้วยโอ้ยกินข้าววัแซบนอนบัหลับนั่นเห็นไหมกระเพาะไม่ทางานน้าย่อยไม่มี ก็คิดมากอ่า ค, คิดมากกลางคืนคิดมากเรื่องเป็นหนี้เป็นจินเรื่องเขาด่าเขาว่าเรื่องลูกไปประเทศจีนหรือเกาหลีอะไรต่างๆมัวใ จ, จะไปอย่างนั้นในที่สุดก็กระทบร่างกายเราฉะนั้นเราจึงต้องมีการมาบริหารทั้งทางกายอย่างที่ลุงปู่บอกไม่ต้องไปกินยาหาหมอพอยายเลี่ยมเราก็มาอยู่ที่นี่แหละแกเป็นคนไปหาลุงปู่ตั้งแต่อยู่รูดเขาคงคา จะมาจากอาจารย์หาดินเดกแล้วก็ถามหาหลวงปู่แยกเป็นลูกติดมามีอะไรแกไปหาทุกทีและแกก็ทำได้ไอ้สองอย่างที่กล่าวมานี่แกยังไม่รู้อันหนึ่งคือตีนขึ้นหมุนเก้าอี้แกยังไม่ได้ไปเรียนอันนี้นะแล้วก็สุขภาพดีมาโดยตลอดไม่ต้องยินยาไม่ต้องหาหมอและใครก็ตามที่ทำอย่างนี้นี่คือสุขภาพทางกายสุขภาพทางใจของเราก็มียาเหมือนกัน ยาพุทธเจ้าที่ท่านคุ้นพบนั่นแหละสติความรู้ตัวไปไหนมาไหนให้มันเป็นทำให้มันเป็นนยื่นขาไปก็รู้พูดใจก็รู้และจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างของเราอ่ามีสามารถทำได้อย่างถูกต้องอย่างลุงปู่เนี่ยอายุแปดสิบ็ดปีเนี่ยมันก็ยังไม่มีลืมอะไรน ะ, ะไม่ค่อยลืมมันนั้นไม่ค่อยลืมมันนี้ยังคิดวรรยาณยังดีอยู่ และเสียงของหลวงปู่นี่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมลูกติดลูกขามาหาวิอาจารย์เสียงเมือกีเก่าอยู่ <c oughs> เสียงเมื่อกี้เก่าอยู่เธอจําจได้ดิจําได้จาได้ตอนไหนตอนได้ตอนตะคอกเธอใช่ไหม <c oughs> ที่เธอทําผิดเธอไม่ดีใช่ไหมเนี่ยเขาจําเสียงได้เพราะเสียงเราเนี่ยไม่ไม่ยังอยู่คงเดิมและอีกอย่างหนึ่ง กายบาบัดที่เราทำให้พลังปอดพลังหัวใจเราเข้มแข็งพิสูจน์ได้เลยว่าอายุแปดสบเจดปีนี่สวดมนต์ได้วะส อ, สองชั่วโมงก็ไม่เหนื่อยเลยนั่นคือกายแข่งแข็ง น, นได้ไปจากมัวเขียวแก่งแข็นนแงนะแข่งแข็งไปทางนั้นไปตรงนี้ทุกที่ทุกทางแก่งแข็ง น, นะเดี๋ยวนี้สองวันสาวันแก่งที่หนึ่ง และหัวใจของเราเนี่ยไม่มีกระทุกกระเทือนเราจะสวดมนต์สวดพรหรือจะทาเนี่ยเราไม่เคยเหนื่อยเลยไม่เคยเหนื่อยไม่หองหองไรแก่นี่เห็นไหม ป, ปอดพลังปอดบันดีและพลังต่างๆที่มันประกอบกันเข้านี่แหละคือการมีชีวิตอยู่อย่างรู้จักรักษากายรู้รักษาใจและก็มีประโยชน์ที่จะประกาศสัจธรรมเผยแผ่ ธรรมะนี้ไปสู่ญาติโยมที่มีทุกหรือไม่มีทุกให้เป็นผู้ถูกต้องตามความประสงค์ของพุทธเจ้าคือพ้นจากทุกเนี่ยนั้นทุกคนมาถูกต้องแล้วใครไม่มาไม่ต้องชวนมาเป็นเพื่อนเป็นผูไม่ต้องหาหมู่ไม่ต้องัาเพื่อนนะถ้าชวนเขาแล้วมีหลายอย่างหลายประการที่เขาจะพูดให้เราเหมือนเขาเราไม่ต้องเอาอย่างเขาเน้แต่การบวชของหลวงปู่นี่เหมือนกัน เราก็มาด้วยธรรมรู้ของเราเมื่อเราทำดีถูกต้องแล้วเขาจะชมเราที่หลังว่าโอ้มาถูกมาต้องอย่างนี้อ้าวแต่รนวันนี้ทางกายก็ได้ไปแล้วไปทำและทางใจก็ได้ไปแล้วเราคือสติความรู้ติกตัวสองอย่างนี้เราจะต้องดูแลรักษาเพราะเป็นชีวิตของเราถ้ากายไม่สมบูรณ์เราก็จะเกิดการเคลื่อนไหว อะไรต่างๆลําบากยิ่งแก่ยิ่งเท่าก็ยิ่งลําบากตัวเองและลําบากคนอื่นด้วยสําหรับจิตใจของเราไม่ต้องให้ใครไปช่วยทําเองทั้งหมดได้ตลอดเวลาตรวจสอบได้ตลอดเวลาเขาอยู่อย่างไรกินอย่างไรเขามีปัญญาไปลึกซึงแค่ไหนเราก็ดูเขาได้และก็ตรวจสอบว่าเขามีความสามารถอย่างไรเราอยู่กับคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยเขาพูดออกมาอย่างนั้น หูของเราทำพิษไหมตาของเราเป็นพิษไหมอะไรทุกอย่างเป็นพิษไหมเนี่ยถ้าเห็นเขาทำพิษหรือเขาซื่อๆทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งปากทั้งการสัมผัสโอ้ยยกมือได้เลยเนี่ยอันเป็นอย่างนี้ตรวจสอบเจ้าของเองได้นี่แหละคือเรามาถูกทางเราก็ไปถูกทางทีนี้การอยู่ของเราก็คือความสงบความสงบนี่คือนิพพาน ไม่ต้องไปเอาตอนที่อนาคตการนุ่นเทินผู้ปฏิบัติจะไปเอาเอาตรงเนี้ยเอาที่จิตของเราสงบหมุนจากความคิดการปรุงแต่งทั้งหลายจิตก็เข้าสู่ความสงบต่นนั้นอู้สงบบทวันหมดคืนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทําอะไรก็ทําได้ทำดํทำในความสงบนั่นแหละเนี่ยทาไม่ทำในความสงบมันตายแลย้วแหละหลวงปู่ตายแล้วสร้างสลาสองหลังหลั ง, ล, งละสองล้าน อันหนึ่งหมกล้านอันหนึ่งสองล้านเน่แล้วก็อื่นๆอีกมากมายถ้าไม่อยู่กับตัวเนี้ตายแล้วทาไปอยู่กับการรมาหนึบตายแล้ยติปดีจิตมันมันเฉยหมดเฉยหมดทุกทิ่ง ท, ทุกอย่างเขาติเขาชมจะมีไม่มีอะไรก็แล้วแต่ทําตามหน้าที่อ่าจานั้นแหละมันก็เลยอยู่ได้สุขภาพก็ดีได้ทุกอย่างอนะ่ไปถวดมนทุกวันตื่นเช้าทุกวันตอนเย็นก็นทําทุกวันอาหารก็อร่อยทุกวันท่อไส้เราก็ถ่ายทุกวัน จเจ้าดีแค่ไหนเกิดมาแค่นี้แหล ะ, ะทําแต่งเอาเองแต่งเอาเอง อ, อันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมที่ได้ฟังและก็นําไปพิจารณาจะาอาไหนไปปฏิบัติถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราก็เปาะชีวิตของเราให้เป็นหมันแต่นั้นก็ขอเรามาถูกทางแล้ววัด ท, ทําแสงเทียนตอนนี้แต่งตัวส ก, ก๊อเลยทุกทีุ้กอย่างมีครบบริบูรณ์ ต่อไปนี้ทั้งจำแห่งเตนก็จะไม่ขอสร้างอะไรใหญ่โตอย่างนี้อีกแล้วจะปลูกต้นหมากลากไม้ให้มันคืบไปทั้งหมดหรืออาจจะได้ที่ได้ทางขยายเพิ่มเติมไปอีกก็ได้ป่ายางเขาก็จะขายน <c ười> อาจจะเป็นของเราก็ได้ทางที่เดินมานูน่นแต่โน่นมานี่เขาจะขายเอออาจจะมีญาติโยมอนุเคราะห์แล้วเราก็จะได้เป็นสถานที่ปฏิบัติของเรา แล้วก็คงจะเป็นที่ปฏิบัติของคนชาวพุทธทั่วไปไม่เฉพาะแต่อำเภอจังหวัดชยียภูมิกรุ ง, งทุงคงเทพที่ไหนเรารับได้นะแล้วก็ทําประโยชน์ให้แกเดี๋ยวคนหนุ่มที่มาบวชนะเดี๋ยวนี้เขามาบวชที่ตำแห่งเทียนหมดอ่ะะบวชแล้วก็ศึกมาศึกก็อยู่ต่อไปออันนี้ก็ทําประโยชน์ให้เทียบเทียบกับที่มาอยู่ใหม่ๆเขาไม่อยากให้เราอยูน่ะ ตอนนี้เขาเขาไม่อยากให้เราหนีทีนี้ <laughs> เขาไม่อยากให้เราหนีล่ะอ่ะก็ขอโนโมทตุขอทุกคนในเจริญในธรรมอ่ ะ, จะเจริญพร